หัวข้อความถูกต้องและผิดพลาดของความรู้เรื่องราวที่ควรทราบเกี่ยวกับความรู้ยังมีอีกหลายอย่างไม่อาจแสดงไว้ในที่นี้ทั้งหมดจึงจะกล่าวอีกเพียงเรื่องเดียวคือความถูกต้องผิดพลาดของความรู้และแม้ในหัวข้อนี้ก็จะกล่าวถึงหลักที่ควรทราบเพียงสองอย่างเท่านั้น ความถูกต้องและผิดพลาดของความรู้ในหลักที่หนึ่งสัจจะสองระดับผู้สดับคําสอนในพระพุทธศาสนาบางคนเกิดความสับสนเมื่อได้อ่านได้ฟังข้อความบางอย่างเช่นบางแห่งว่าไม่ควรครบคนพาลควรครบบัณฑิตคนพาลมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้บัณฑิตมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ ควรยินดีแต่ของของตนไม่ควรอยากได้ของของผู้อื่นตนเป็นที่พึ่งของตนคนควรช่วยเหลือกันดังนี้เป็นตน้นแต่บางแห่งว่าพึงพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่ากายก็แค่กายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพึงรู้เท่าทันตามเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตา ดังนี้เป็นต้นแล้วมองไปว่าคำสอนในทางพระศาสนาขัดแย้งกันเองหรือไม่ก็งงและไม่เข้าใจหรือบางคนเข้าใจบ้างแต่ไม่ชัดเจนพอทำให้เกิดการปฏิบัติสับสนผิดพลาดดาเนินชีวิตไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในเวลาที่ควรพูดควรปฏิบัติตามความรู้ในชีวิตประจําวันของชาวบ้าน กลับพูดหรือปฏิบัติด้วยความยึดถือในความรู้ตามสภาวะเป็นต้นทำให้เกิดวุ่นวายและเสียหายทั้งแก่ตนและผู้อื่นคำภีฝ่ายอภิธรรมหวังจะช่วยป้องกันความสับสนผิดพลาดเช่นนี้จึงสอนให้รู้จักแยกสัจจะหรือความจริงเป็นสองระดับความคิดเกี่ยวกับสัจจะสองนี้เริ่มแสดงออกเป็นคาบัญญัติในคมภีกถาวัตถุ แต่ยังไม่ระบุแบ่งเป็นถ้อยคำชัดเจนคือกล่าวถึงสมมติสัจจะและกล่าวถึงสัจจิกัตถะปรมัตและปรมัตในอภิธรรมปิฎกกถาวัตถุการปรากฏชัดมีในปัญจกปการณะอัธกถาปรามัตทัตีปณีนอกจากนี้มีกล่าวถึงและใช้อธิบายธรรมะในที่อื่นหลายแห่งที่มาโดยละเอียดดูได้จากพุทธธรรมหน้านะครับ สัจจะแยกเป็นสองระดับคือระดับที่1สมมุติสัจจะความจริงโดยสมมุติเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโวหารสัจจะหรือโวหารสัจจะความจริงโดยโวหารหรือโดยจำนวนพูดคือจริงตามมาติร่วมกันตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือหมายรู้ร่วมกันเป็นเครื่องมือสื่อสารพอให้สำเร็จประโยชน์ในชีวิตประจําวัน เช่นคนสัตว์คนดีคนชั่วโตเก้าอี้หนังสือเป็นต้นคำในภาษาอังกฤษว่า conventional truth ตัวอย่างที่พอเทียบให้เห็นเขาเช่นภาษาสามัญพูดว่าน้ำวากเลือเป็นต้นสัจจะระดับที่สองปรมัทติสัจจะ ความจริงโดยปรมัติ์คือจริงตามความหมายสูงสุดตามความหมายแท้อย่างยิ่งหรือตามความหมายแท้ขั้นสุดท้ายที่ตรงตามสภาวะและเท่าที่พอจะกล่าวถึงได้หรือพอจะยังพูดให้เข้าใจกันได้เพื่อสำหรับให้เกิดความรู้ความเข้าใจเท่าทันความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายคือรู้จักสิ่งเหล่านั้นตามที่มันเป็นและเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด คือการยังรู้สัจธรรมที่จะทำให้ความยึดติดถือมั่นลงผิดทั้งหลายสลายหมดไปทำให้วางใจวางท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์มีจิตใจเป็นอิสระหลอดโปร่งผ่องใสเบิกบานมีความสุขที่แท้จริงสิ่งที่เป็นจริงโดยปรมัตา์เช่นนามธรรมรูปธรรม เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือจิตเจตสิกรูปนิพพานผัสสะเจตนาเอกคัตตาชีวิตเป็นสีเป็นต้นเทียบคำในภาษาอังกฤษว่าเอาที่เมทรู้ตัวอย่างที่พอเทียบให้เห็นเขาเช่นในทางวิทยาศาสตร์ถือว่าคำว่าน้ำวัาเหลือเป็นต้นยังไม่ตรงสภาวะแท้ อาจมีแง่ความหมายที่คลุมเครือหรือเควยได้น้ำแท้แทคือไฮโดรเจนออกไซด์สูตรเคมีว่า h 2 o เกลือสามัญก็เป็นโซเดียมคอลอไรด์สูตรเคมี nacl จึงถูกแท้ดังนี้เป็นต้นซึ่งข้อเปรียบเทียบนี้ไม่ใช่ตรงกันแท้แต่เทียบพอให้เห็นว่าในวิชาการอื่น ก็มีการมองเห็นความจริงด้านอื่นของสิ่งสามัญอย่างไรก็ดีความคิดเกี่ยวกับสมมุติสัจจะและประมษษษษษัทสัจจะที่ท่านระบุออกมาเป็นคำบัญญัติในพระอภิธรรมนั้นก็ยกเอาความในพระสูตรนั่นเองเป็นที่อ้างแสดงว่าความคิดความเข้าใจเรื่องนี้เป็นของมีมาแต่เดิมแต่ในครั้งเดิมนั้น คงเป็นที่เข้าใจกันดีจนไม่ต้องระบุ ค, คําบัญญัติสองคำนี้ข้อความในพระสูตรที่ท่านยกมาอ้างนั้นเป็นคําของพระภิกษุณีชื่อว่าชิรามีเนื้อความดังนี้นี่แนมานท่านจะมีความเห็นยึดถือว่าเป็นสัตว์ได้อย่างไรในสภาวะที่เป็นเพียงกองแห่งสังขารล้วนๆนี้จะหาตัวสัตว์ไม่ได้เลย เรียกเหมือนว่าเพราะคุมส่วนประกอบเข้าด้วยกันสัว่ารถย่อมมีชันใดเมื่อขันทั้งหลายมีอยู่สมมุติว่าสัตว์ก็ย่อมมีชันนั้นความคล้ายกันนี้ที่เน้นในแง่ปฏิบัติคือความรู้เท่าทันสมมุติและเข้าใจปรมัดแล้วรู้จักใช้ภาษาเป็นเครื่องสื่อความหมายโดยไม่ ย, ยึดติดในสมมุติ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 อีกแห่งหนึ่งว่าเหล่านี้เป็นโลกสมัญญาเป็นโลกนิรุติเป็นโลกโวหารเป็นโลกบัญญัติซึ่งตถาคตใช้พูดจาแต่ไม่ยึดติดอันหนึ่งพระอัฏกถาาจารย์บรรยายลักษณะของพระสูตรในสุตตันตปิฎกว่าเป็นโวหารเทศนาเพราะเนื้อหาส่วนมากแสดงโดยโวหารคือใช้ภาษาสมมุต ส่วนพระอภิธรรมเป็นปรมัดทเทศนาเพราะเนื้อหาส่วนมากแสดงด้วยปรมัตดคือกล่าวตามสภาวะแท้ๆนี้เป็นข้อสังเกตเพื่อประดับความรู้อย่างหนึ่ง